ฟังเทศที่จะให้ได้ความเป็นของลึกแล่ละเอียดอยู่ถ้าฟังเทศไม่เป็นก็จะได้แต่เพียงเปลือบขึ้นตื่นถ้าฟังเทศเป็นทำใจให้สงบเพราะธรรมะเป็นของสงบ ทำใจให้อยู่นิ่งจึงจะรู้เรื่องในการฟังธรรมเทศนาให้ตั้งใจฟังโดยเฉพาะแต่อย่าจะไม่ให้จิตฟุ้งซ่านถึงส่งไปตามกระแสเทศนานั้นก็ให้ควบคุมอยู่ไม่ให้ส่งไปในเรื่องอื่น นั่นแหละคุณจะได้ความฟังสักแต่ว่าฟังไม่สนใจไม่ให้ใจใสได้เราคำพูดคำใจ้เล็ก น, น้อยเอาไปพูดต่อไปก็ได้แต่ไม่เข้าถึงใจพุทธศาสนานม่สอนเข้าใจ เพระใจนั้นเป็นที่เป็นบอ่อเกิดของกิเลสและบอ่อเกิดของบุญกุศลต่างๆเป็นบอ่อเกิดของอกิเลสบ่อกุศลต่างๆหึืาหากจะบริสุทธิ์ก็บทสุดที่ตรงใจนั้นเทศอื่นไกลไม่ใช่เทศไหนจะไห น, ในไปรวมลงที่ใจแห่งเดียว จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งสมัยเดียนี้มีคนาดาจาราย์หลายท่านหลสอนสอนแตกต่างกันเรื่องหลายอย่างโดยความอนุมานาก็มีโดยความเข้าใจตนเองก็มี โดยคิดนึกส่งไปคิดกรองไปนะก็เอาความคิดของกรองตนนั้นไม่สั่งสอนอบรมคนอื่นต่อไปก็ไม่เข้าถึงแกนสารของพุทธศาสนาถ้าพูดถึงเรื่องแกนสารของพุทธศาสนาแล้ว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 สอนลงที่ใจเนี่ยเกับใจยังไหมือทันถูกจึงสอนมากมายถ้าจะใจถูกจุดนั่นแหละไม่มีมากอะไรทำทั้งหลายลงส่วนเดี๋ยวมดจะฮัดโทนาเรื่องพุทธโธก็ดีเรื่องสัมมาดาหังก็ดีเรื่องยุทน้พังห้อก็ดี วางคน้นก่อนไม่ต้องทําอะไรนะมดปล่อยวางที่เฉยนั่นก็ดีหมายความถึงอบรมสติอันเดียวถ้าตั้งสติอารมใจอันเดียวเมื่อรวมเป็นอบรมสติให้ตั้งสติอบรมจิตอันเดียว แน่วแน่อยู่ครับไอลมไอจิตนั้นแน่วแน่อยู่กับสติควบคุมมาอยู่เพียงแค่นั้นแล้วมันจะรวมลงเข้าไปเป็นใจคือผ well, ู้รู้สึกแต่ไม่นึกไม่คิดใจในตัวผู้นึกผู้คิดไในจิตในตัวผู้นึกผู้คิด ใจใจนี่ไม่มีนักคิดมีแต่กลุ่มรู้เื่อจะรู้ว่มนั้นแห่งเดียวคำข้อนั้นจะถูกไหมถูกตามคำข้อส อ, ขอนของพร้เก่าไหมถูกรับรองว่าถูกเดียวตอนพระพุทธองค์เป็นอภิาน าบอกวามาธิร่ตั้งปาเถิดท่านภิกษุทั้งหลายจงแงกความมประมาณให้ถึงพร้อมเถอดเพาะไม่ประมาณก็คือมีสตินั่นเองการที่มีสติเป็นผู้ไม่ประมาณอยู่ทุกขณะดยูยากุ สติเรกกายเป็นมหาสติประถานท่านพูดทั้งสติประถานสี่กายเวทนาจิตธรรมอาการของรักษาสติไม่หนีจ า, า, ากสี่จ้ากายคือรูปกายนี่เวทนาคือกายนี่แหละไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เกิดจากอื่นกเกิดจากกายนี่แหละ จิตกระทุดพูดตั้งสติสมนดจิตนั่นแะอันนั้นแหละเป็นธรรมรวมมึงเป็นอันเดียวกันแต่พูดแยกข้าไปเป็นอาาันกัรนั่นยังว่าถูกตามหลักธรรมคำสอนพูดได้ชรับแต่ว่าสอนหลายเรื่องหลายอย่างอธิบายม่มาก แตกต่างจากการผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล้วเรียนผู้ที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นไปง้มไปตะคุบไปเห็นเงาตรงไหนก็ตะคุบไปตะคุบเงาไม่ได้ตัวถันท่าหากว่าจับตัวแล้วเงาเมืนก็ อยู่ที่เหมือนกับเราวิ่งตาา่างเงาวิ่งไวเท่าไหร่มันไปยิ่งวิ่งเร็วเท่าไห่ก็ยิ่งเร็วถ้ า, ถาหากเรายืนอยู่จับตัวมันได้แล้วเงามันเลยยืนมันอยู่คงที่ถ้าเรา จ, าจับ ต, ติดตรงนี้แล้ว<ม>เป็นปัจจุบันอยู่นู่อยู่เฉพาะปัจจุบัน มันจะมีไหนเรื่องอื่นมันมีอล้วความโลภความโกรธความหลงก็ไมมีแค่มีความโลภความโกรธนะแค่มีความโลภความโกรธความหลงลมันอยู่เฉยๆมันจับใจได้แล้วโลภโกรธหลงหายไปไหนไม่ได้ท่ันจับใจไม่อยู่ ใจนั่นแหะเป็นผู้สั่งโคมโขงโกะโคมหลกโอมลา ก, กเทอมชงมังเหียดโกะต่างๆใจนั่นเป็นคนสั่พุทธศาสนาจังวะรวมลงที่ใจอันเดียวพูดมากไปเถอะพูดไปเท่าไหร่ก็พูดไปเถอะ อาการของใจทั้งนั้นคืออาการของใจได้ก็จิตนางคนนั่งกอต้องการอยากจะเรียนรู้ต่างๆมากมายรู้แล้วจึงจะปฏิบัติถ้าไม่รู้จะปฏิบัติได้ยังไงเรียนรู้แลแทนโดยจะปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติใล้เรียนได้ชฉวย ไม่มีการปฏิบัติการที่ฟังมีเรียกว่าเรียดฟังแล้วทําตามเรียกว่าปฏิบัติเอาเลยตรงนี้หลยนี่ได้จิตสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังปฏิบัติจิตสงสัยแล้วไม่ต้องปฏิบัติมาสมัยหนึ่งซึ่ง พะผู้ใหญ่ท่านสอนกันมหาบาเัเฑิตนั่นนหะที่เรียนจบประโยบแต่พูกเก่านั่นแหละท่าเร็จกมโนิพานถ้าไกดีโดือจบผนนั้นเรียกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จอะ้รไม่รู้เรื่อง เรียนแต่กระกยิงเป็นใสไงตัวทองทาง น, จ ะ, งนจะเรื่องสมจะเรื่องสายไปมันไม่หยุดยัง้งไหยพระพุทธเจ้าธรรมะธ า, าถูกทรมคำสองพระเจ้าแล้วหยุดทันทีทันทีคิดอะไรพิจารณาหยุดลงมดงมันรวมลงหมดเลย เรียนตามโลกเร้วว่ารงสายไปตามโลกมันมีที่สิ่นสุดเรี่องมันโลกมันวงกลมมันหมุนรอบดูเรียนไปพิจารณาไปค้นคว้าไปโลกเขาเก่ากันเนี่ยไปลงไห โลกโกโลงของเก่านั่นโลกกระทำกับของเก่ามีราเสียมหนามียศเส่ยมยศฉันเสือดินท้มันมันลงของเก่านะมนไม่ค้นจางอะไรเกิดในสามหกสามะโลกถ้าตวนเวียนอยู่ในสามมันจะหมายอะไร คนนี้ค่อยมาทราบพบสามชาติมาเกิดอยู่นนี้ไหมนี่ที่สิ้นที่สุดก็เพราะเกิดมาอยู่ใ น, นกาลโลกแล้มันวนเวียนอย่ น, นี้เกิดมาแก่เท้าชราตายเป็นหนุ่มเกิดมาอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาแล้วแก่เท้าชราตายเป็นหนุ่มอีกเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นหนุ่ ม, มอีกอันนี้มันเวียนนีง ความคิดกับของเก่าไม่หนอมันนอกเหนือจากโลงนี้ไปไหนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดไปรวมรงได้รวมลงนิจเจีงทุกขังอนาศาศาัตตาไม่มีสาระแกนสาระไมหมดหมดเรื่องหมดหลัง อานาตารามีสาระอานาตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนมีตัวตนอยู่อานาตาถ้ามีตัวตนเล็กๆว่าอนตาได้ไหมที่ไม่เป็นอานตาเพราะเหตุมันมีสาระอย่างตัวเราหาสาระไม่ได้ฟังไม่ได้สอนไม่ฟังเกียรติเท่าเทาไป มันลดสุขไปเปลือยเน่าเป็นดินน่าไปเลยเป็นสภาพเดิมผมสภาพของเดิมมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันปรุงันแต่งขึ้นมาสภาพมันมันแต่แตงจนลูกเป็นตะดับ่างเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นแก่ในวันที่เราลงสภาพตามเดิมมันยัเป็นอยู่อย่างนั้น เรียกว่าอนักตา่างมันลงจุดนี้มันรวมลงจุดนี้เรียกว่าคิดไปไม่มีทางไปมันสรุปรวมได้อย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียนของจริงค้นคว้าหาของจริงใครจะเป็นอะไรก็เปลี่ยนไปทุกหลงเราของจริงของเขา ถีติภูตังของเปิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหั้นดินน้ำพ้าลงเป็นอยู่อย่างนั้นแ้่แตมิถีติญาณังความรู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้ น, ร, น, น, นรู้ของเป็นจริ ง, งนี่ว่าถีติญาณังรู้ของเป็นจริง เป็นอย่างนั้นนะใครจะว่างไงนะครับใครจะว่าได้ต่อไปมันไม่มีเงนว่างมันมีเงนพูดพูดแต่ก็พูดของเก่ามันพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพยังเชื่อมันครั้งสองเขาลงอันเดียวลงที่จิตอันเดียวไปสมุดปัญญา ว่าเรื่องเมืนะ่มไหรนมารวมอิิจิตอย่างเดียววมดจิตนี่ที่มันแผ่ขยายกว้างกว้างไปออกไปไออกจานนี้ทั้งนะั้นสร้างบ้านสร้างเรือสร้างวัดสร้างวัดตร้างไรส้งนาทั้งเรือ ส, ส, สร้สงาส ง, ร ง, สงสวนขัานเทพูนี่ไม่มีแล้วก็ทำไม่ได้ ผู้นี้มีไปได้ก่อนทำได้หมดถ้าผู้นี้หมดแล้วก่อหมดเรื่องนั้นทิ้งหมดของนั้นทิ้งเหมือนกันก็ของผูน้นี้สร้างตนสร้างตัวภาพภาพร่างก า, ายขึ้นมาผู้นี้แหละเป็นคนสร้างสร้างตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วสร้างอื่นต่อไปเมื่อตัวนี้มันหมดแล้วก็มันหมดสภาพมัน อยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปพรอมกันกับมดอยู่คงที่ที่ทำมากมายรก็หายนั่นอันนก็เพราะของเราของเราเพอตะเนี้ดับเท่านั้นมดเรื่องเพราะเนีสลายไปมันก็มดเรื่องทําคําสอนเพื่เจ้าสอนอย่างนี้ ไม่เข้าใจรู้จริงของจริงอย่างนี้ทำเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนของจริงไม่ใช่ไหมสอนของของไม่จริงสอนของจริงแต่เราไม่เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นจริงตามคำสอนของเราจึงพาสั้งหลงงมงายอยู่เลย อืมคือถึง